สัพพวตูอัลลตูสัมมาสัมพุทธะนะโมทัตสัพพะวะตูอัลลตูสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสพพะวตูอลตูสัมมาสัมพุทธะส้โอกาสต่อไปนี้ผมก็จะขอโอกาสจาก ระเดีพระคุณท่านพระครูสุตตวร า, วากรเจ้าวาดหรือประทานสงฆ์วัตนี้เพื่อเป็นการจะว่าสแสดงธรรมก็ใช่เือจะว่ามาคุยกันหรือพบปะกับท่านทั้งหลายที่มาอยู่ปริวาตกรรมตลอดจนญาติโยมบาศุกบา ท, บาทิกาขณะพระอาจารย์กันทุกๆร <c oughs> วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานปริวาตกับท่านพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานสงฆ์ที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้ ทุกปีก็ได้มาเยี่ยมถือว่ามาเยี่ยมกันทำข่าวสารทุกสุขดิบบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือรู้จริงไม่รู้จริงเมื่อมาเห็นกับตาแล้วก็ถือว่าต่างคนต่างสบายใจคือสบายใจที่ไหนปีนี้ได้ยินข่าวว่าน้าท่วม ไปตัวบ้านทั่วเมืองเห็นงานปฏิวัติของเราก็มาจัดเอาตรงเวลาฤดูฝนพอดอีเพราะว่าผมเองก็อยู่นอนอยู่ตรงเรียกว่าเหนือเหนือจากนี่ก็ว่าได้ไม่ใช่เหนือจากคุณงามความดีของพระเดชพระคุณแล้วท่านทั้งหลายดอกหมายถึงว่าเหนือทางสายน้ำ ทางโน้นเท่ากับทางเหนือแจะว่าอยู่ที่ใต้ทําไมนึงว่าทางเหนือเพราะหน้ามูลมันหลากมาจากทางโน้นเขาทางโน้นมันสูงกว่าเวลาฝนตกมูลสามง่ามหรือเขื่อนมูลบนมันไหลลงมาทางเนี้ยอไหลลงมาโชคชัยไหลลงมานี่ถ้าช่างจะกรลาดแล้วก็วกมาตรงนี้พอดีที่ไม่เราเนี่ยที่ว่าอยู่เหนือนะ ที่นี่ฝนมันตกชุกก็คิดว่าโอ้งานปริวาสของท่านพระเดชพระคุณพระครูสุตตลากรหรือว่าท่านอาจารย์มหาพิรพงษ์เนี่ย <c oughs> เจอฝนหนักหรือเป่านองหรือยังไงพระจะอยู่ทนไหวหรือเปล่ายงนั้เพราะที่นั่นเพิ่งหยุดเมื่อวานก่อ น, นเองตอนเช้ายังตกหนักอยู่เลยโยมตกติดต่อกันมาเป็น วันเว้นวันบางทีเว้นมาถึงสองวันบางทีตกเช้าตกเย็นตกกลางคืนตกทั้งวันก็มีเหนือนก้นโวยทว่วมอาจารย์มหาบิลาพงศ์ตายลำห้งางบบนั้นไอ้น้องนิยวก็บอกว่าเไม่รู้น้ำทว่วมลุงดิ่งหรือเปล่าอยู่กันยังไงก็ไม่ทราบแบบอย่างนั้นเป็นห่วงลุงลุงดิ่งเขาอเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็มาด้วยพอดี พอมาเจอกันกับหลวงลุงเข้าไปแล้วนี่ก็มาดูสถานที่ของท่านพระเดชพระคุณอาจารย์ท่านก็คิดว่าเออพอสบายใจด้วยได้สอบถามเย็นถามพระอาจารย์กรรมท่านว่าตั้งแใจเริ่มปฏิวัติมาฝนยังไม่ตกเลยเพไรอย่างนั้นนี่คือท่านอาจารย์มหาพรบอกคนนับว่าจะเป็นบุญของพวกท่านทั้งหลายหรือเปล่าที่ไม่เจอฝนหรือว่า ยังไงก็ไม่ทราบนะคิดเอาเนาะตรงนี้โดนฝนก็อาจจะชุ่มเย็นแต่ว่ามันจะลาบากสักหน่อยเวลาเวลาเราอยู่ในปร่งในอะไรอาจจะไม่สะดวกอย่างนั้นคิดว่าคงเฉลีเป็นบุญของพวกท่านทุกๆรูปนั่นแหละไม่ต้องลำบากตักตำ ม, มากเกินไปอันนี้ถึงคิดว่าได้มาพบเห็นว่าทุกท่านทุกรูปทุกอง พออยู่ได้เป็นส ป, ปายะของพระปริวัติรดือของอุบาสิากาที่มีศรัทธามาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมอันนี้ก็นานุโมทนาเป็นอย่างมาก <c oughs> กับพระเดชพระคุณท่านพระครูสุตตาวากรผู้เป็นประธานสงฆ์และคณะพระอาจารย์กรรมทุกๆกคนและญาติโยมที่ให้การอรุปถัมภ์ถือว่างานนี้คงจะบรรลุปเป้าหมายสาเร็จรูล่วงไปไดีดีที่นี้วันนี้ มานั่งคุยเล่นกับท่านอาจารย์มหาพรเมื่อตะกี้นี้ก็บอกว่าอยากให้พูดถึงเรื่องนะโมสักหน่อยหนึ่งไว้อย่างนั้นคือ <c oughs> ท่านอาจารย์มหาพรท่านอยากให้มาพูดคุยกับญาติกับโยมกับท่านผู้ที่มาอยู่ปริบัติเนี่ย อันที่จริงนโมเนี่ยถ้าจะพูดกันในความเห็นของพระสองฆ์องค์เจ้าหรือญาติโยมทุกๆคนเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นญา ป, ปากคอก <c oughs> ใครก็รู้จักว่าณโมเนี่ยทาอะไรธรรมดาหรือธรรมเนียมของอกิจกรรมของทางพุทธศาสนาเราเนี่ย จะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เรามักจะเอาน้าโมนี่ขึ้นหน้าพระเราก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันจะมีงานบุญงานกุศลส่วนไหนจะลาธนาศีนลาธนาธรรมหรือไม่แต่พระที่ท่านจะสวดมนต์สวดพรนีนะ่เราก็จะต้องตั้งน้โมที่นี้ท่านอาจารย์มหาพรทำไม่คิดว่าอยากจะให้พูดเรื่องนี้ ท่านว่าเป็นความสุขขุมลึกซึ้งที่พวกเราทั้งหลายไม่ได้เอาน้าโมมาตีความอะไรอย่างนั้นนะคือตรงนี้เองที่จริงญาติโยมก็ดีผู้ที่คงเกลียเรียนยิ่งเจพระผู้ที่ท่านศึกษาปริยัติมามากเนี่ยคงจะเข้าใจดีพอสมควร ในภาคปริยัตินี่ที่นี่นะโมตรงนี้พก็เดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเขาเคยเอาไปบรรยายบ้างก็มีเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างแต่ท่านจะบรรยายในลักษณะไหนนั้นเมื่อก่อนนี้เคยไปที่วัดศาลาวัดศาลานี่แหละอำเภอพิมายเรานี่แหละ เ, เลนี่ยศาลาไปทางเนี้ยทีนี้วันนั้นพอดี พอท่านจะบรรยายเรื่องนโมเนี่ยก็เลยมีธุระมาที่วัดท่านอาจารย์มหาพรเนี่ยญาติโยมก็ปฏิบัติทำอย่างนี้ได้มาก่อนไม่ท่านได้ฟังว่าท่านบรรยายในลักษณะไหนอันนี้ก็คงจะบรรยายไปตามเหตุปัจจัยที่ไปที่มาของอนโมนี่เอง แต่ น, น, นี่เราเอาจะ <c oughs> ไม่ได้ฟังท่านบรรยายตลอดเพราะท่านเริ่มนมูก็เลยกลับมาก่อนว่างั้นเมื่อปีก่อนนันละไม่ใช่ปีที่แล้วนี่ลนะมั้งโยมท่านอาจารย์มหาพรท่านจัดปฏิบัติธรรมตอนกลางคืนได้กลับก่อนท่าน <c oughs> ท่านทำทุดงวัตรพาพระทำทุดงวัตรเที่ยวประกาศธรรมไปทั่วทั่วมัน หลายๆอำเภอเมือนกับที่ท่านนำปฏิบัติมามาที่นี่เมื่อวันนี้ได้ยินว่ามาบรรยายเรื่องอภิญญาธรรมเรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระธรรมโวรนายกได้นำธรรมะมามาแสดงให้ญาติให้โยมให้ท่านทั้งหลายฟังมาแล้วทีนี้ที่ท่านอาจารย์มหาพรอยากให้พูดถึงตรงเนี้ย ก็คงจะพูดพอเป็นสังเขปไปอย่างนั้นเถอะถ้าจะพูดว่าทำไมถึงเป็นยาปากคอกสำหรับผู้ที่คิดว่ามันง่ายเกินไปทำอะไรก็ตั้งนะโมใช่ไหมนะโมเนี่ยนะคำเดียวเป็นคำปฏิเสธตามภาษาบาลีหรือภาษามคธโมเนี่ย เป็นคำยืนยืนต้นธาตุของความหมายว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้เลยแปลความว่าอย่างนี้โมแปลว่าแข็งหรือแปลว่ากระด้างก็ได้คำว่าแข็งหรือว่ากระด้งางอย่างนั้นทีนี้ณนะที่นำหน้าอยู่นี้มันเป็นคำปฏิเสธก็เลยแปลว่าไม่แข็งไม่กระด้งางเวลาเราแปลความหมายของณโม ไปโยงกับนโมตัสสะพระคัมะีร์โตน่ะก็เลยมีความหมายว่าเป็นความนอบน้อมเป็นความอ่อ น, น้อมที่ น, น, นี้นี่พูดถึงว่านอบน้อมกับเรื่องอะไรถ้าไม่มีพระคัวภโตหรือพระควานี่เราจะนอบน้อมกับอะไรข่อนหลังตรงนี้ที่นี่ตรงนี้นักบลา ผู้รู้ทั้งหลายที่ไปที่มาของณมูท่านเก่าไว้ว่าอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่พระองค์ทรงแต่สรู้เอาธรรมะไปแสดงปั๊บเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนี้ผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสยามภูแปลว่าเป็นผู้รู้เองเป็นผู้เห็นเองเห็นอะไรเห็น สัจธรรมที่พระองค์ทรงตัสั้รู้มาเอาธรรมะนั้นแสดงปับ๊บพอฟังเข้าใจรู้เรื่องก็เลยกล่าวคําว่านะโมตัดสะกพ ร, ร, ระวัตถุตรงนี้เองทีนี้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตัดสัรู้เองเป็นผู้รู้เองเห็นเองเห็นธรรมที่พระองค์ทรงคนมา เย็นมาจะจะรู้มาเนี่ยก็เลยยกว่าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดตรงพระคาวาตัวหรือพระคาวานี่แปลว่าประเสริฐสูงสุดนี่นี่ความหมายยกให้ไม่มีใครแม่นเหมือนไม่มีใครเปรียบแล้วละ่ะก็ยกให้ว่าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดหรือในยันหนึ่งว่าแปลว่าเป็นภาฆาธรรมแต่ว่าผู้แบ่งภาคแบ่งภาคธรรม คำว่าแบ่งภาคธรรมเนี่ยตีความหมายอย่างก ว, ว, ว้างขวางว่าภาคธรรมที่พระองค์ทรงแบ่งแยกแยะออกมาเนี่ยกี่ภาคกี่บทกี่ท่านกี่ตอนก็อยู่ในภาคธรรมทั้งหมดนี่พูดแบบง่ายๆว่าพูดสั้นๆว่ะในธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นภาคอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะแยกแยะออกมาให้เข้าใจในความหมาย อันนี้คือคือที่ไปที่มาแล้วก็ไม่มีใครเป็นคนหนึ่งคนใดจะตั้งให้ด้วยะกูลวงหมายถึงว่าวงของสักยะพระเจ้าสุดโทธนก็ไม่ได้ตั้งให้พระพุทธเจ้านะคำว่าพระขวานหรือพระขวันนี่นะแม้แต่เทพพยายดาผู้เราผู้ใหญ่ <c oughs> เช่นท้าวสกกะมหาราชก็ไม่มีได้มีโอกาสตั้งชื่อนี้ให้พระพุทธเจ้า เพราะเหตุที่พระ อ, องค์เป็นสยามภูผู้รู้ทั้งหลายนักตรัสถั้งหลายพอฟังรู้ว่าธรรมะนี้พระพุทธเจ้ารู้เองเห็นเองเป็นพระสยามภูแต่จะรู้เองโดยชอบเนี่ยถึงถวายนามว่าพระขวาวแล ว, ว่าผู้ประเสริฐสูงสุดในความหมายหรือว่าผู้แบ่งภาคธรรมเป็นภาคฆธรรมอันนี้ตรงเริ่มต้นของที่ไปที่มาของนามูนะ <c oughs> ที่นี่นะความตัวเดียวเนี่ยมีความหมายมากสำหรับที่เราจะใช้ใช้ในการเริ่มต้นของจิตกรรมไม่ว่าอะไรจะพึกษาทำจะปฏิบัติทำนี่แม้แต่ท่านทั้งหลายที่มาอยู่ปริวัตกรรมจะขึ้นวัดขอวัดจะทำอะไรก็แล้วแต่จะสวดมนต์จะ ทรรมชาตชาวยนอะไรพวกเราจะต้องตั้งนโมขึ้นทั้งนั้นทําไมถึงตั้งนโมเพราะเราจะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดความนอบน้อมให้เกิดความอ่อนน้อมให้มีศรัทธาขึ้นในขณะที่เราจะเริ่มต้นทํากิจกรรมในทางศาสนานะหมายถึงว่าเราจะต้องเอานโมเนี่ยขึ้นมา นี่ปูญ่ญาติใจใหญ่ก็ดีอะตัคขาจันดีกาจันทั้งหลายท่านก็นำปฏิบัติมาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจในความหมายของการเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรเข้าใจในฐานวะว่าจะต้องสร้างณโมให้แข็งแรงเหมือนแผ่นดินที่รองรับให้เกิดศรัทธาก้าแก่งแข็งขันพร้อมที่จะมอบกายถวายชีวิตได้ เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบกิจกรรมนั้นนั้นเหมือนกับเราจะทำพิธีกรรมพวทธาพิเศกวัตถุมงคลให้เกิดความเชื่อมั่นความขลังความอะไรก็แล้วแต่ก็อเอาน้าโมขึ้นมาเพื่อนอบน้อมครูบาอาจารย์นอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นไปได้ตามจิตชิด นี่คือความหมายของของการสร้างสิ่งรองรับพื้นฐานของสภาพจิตใจให้เกิดมีศรัทธาขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีศรัทธาแล้วก็ทำอะไรก็ไม่สำเร็จไม่บรรลุเป้าหมายเมื่อกี้นี้โยมมาจากอุตละดิตมาคุยด้วยเลยพูดถึงเรื่องนี้แหละดังคำว่า สร้างพื้นฐานให้เกิดแข็งแกร่งเหมือนแผ่นดินรองรับแผ่นดินก็ธรรมดาหรอกเราจะไปตีเอว่าแผ่นดินขึ้นสินามิอะไรงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นก็หมายความว่าเดินผ่านไปผ่านมาได้กี่ร้อยกี่พันคนแผ่นดินที่ดีก็ไม่ยุบอย่างั้นเถอะพร้อมที่จะรองรับชาวโลกสัตว์โลกได้คือหมายความว่า ศรัทธาตรงนี้ยเราจะสร้างอย่างไรที่จะให้มันแข็งแรงไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงเลยพูดถึงเรื่องนโมนี่ขึ้นมาว่าวันจะสร้างศรัทธาจากตรงเนี้ให้มันมีความนอบน้อมในพระควาจริงนอบน้อมในพระพุทธเจ้าจริงนอบน้อมในพระรัตนตรจริงจนกว่าเราจะเกิดมีศรัทธาแข็งแรงมันคงเชื่อมั่นว่ากุศลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย มันมีจริงเป็นกุศลที่พิสูจน์ได้ด้วยการสัมผัสได้ด้วยตัวเองด้วยตนเองตามหลักสันติิโกหรือหลักสันติกะทำที่เป็นบทบทสวดสรรเสริญธรรมะคุณนะคือตรงนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายทำความเข้าใจกับนโมให้ลึกซึ้งแล้วนั่นเองท่านกำลังเดินใกล้ เดินใกล้กพันิพานนั่งใกล้กพันิพานท่านว่าอย่างนั้นนะ่ะทําไมถึงว่าอย่างนั้นในวงคนสามสิบแปดนะท่านบอกว่านิวาโตัวจนิวาละนัง่งนะผู้ที่ไม่มีความหยิ่งผยองไม่มีลมเบ่งลมพองอ่นะนี่แหละก็หมายถึงว่าผู้มีนโมนั่นเองเรียกว่ามีบุญในการอ่อนน้อมถม่อมตน มีบุญในการนอบน้อมมีบุญในการอ่อนน้อมถม่อมตนสร้างนะโมขึ้นมาในจิตในใจให้เกิดศรัทธาพร้อมที่จะศึกษาพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะบำเพ็ญทานรักษาสิญนเจริญภาวนาตรงนี้คือต้องสร้างนะโมขึ้นมาถึงจะถึงพระพุทธเจ้าถึงจะถึงแดนอันกเกษมถึงจะถึงพระนิพพานหรือนั่งใกล้พระนิพพาน ผู้ที่มีบุญในการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นผู้นั่งใกล้พั น, นิุพันธ์พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นนะอันนี้ในพระสูตรนะให้เป็นคนเอาคือพูดกันตรงนี้ก็แล้วกันถ้าหากไม่มีน้าโมนี่จะมีศรัทธาที่ไหนเหมือนท่าไปทําทุดงวัดเหมือนพวกท่านทั้งหลายที่มาเข้าปริวัาสกรรมเนี่ยท่านมีศรัทธาใช่ไหมครับท่านถึงจะมานั่งฉันอาหารมื้อหนึ่งครับจานมหาพิรพงษ์ พาทำอะไรท่านก็ต้องทำหมดเพราะท่านมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาท่านก็ไม่มาแล้วก็ไม่ทำด้วยนะนี่คือเรียกว่าไม่ได้สร้างนมูให้เกิดมีความนอบน้อมในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์คือในพระรัตนตรัยเราถึงไม่มีศรัทธาพพ้อมที่จะมาอยู่ปริวาสกรรมครูบาอาจารย์ของ คณะผู้จัดทำเนี่ยให้พวกท่านทั้งหลายทำอย่างไรๆท่านก็ทำอย่างนั้นคือยอมพร้อมที่จะปฏิบัติตามมีความนอบน้อมมีความอ่อนน้อมที่จะชำระจิตชำระใจชำระกายชำระวาจาที่คิดว่าติดข้างล้างเลียมมาจากอบัดอันเป็นอย่างกลางที่ท่านทั้งหลายพากันเข้าใจตามหลักปริยัติเรืองผู้วาจั์ ที่น่มาเนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่มีนโมอยู่ในใจศรัทธามไม่เกิดขึ้นเป็นความแข็งเป็นความกิดดังเห็นไหมผู้ที่กิดดั่งผู้กลางผู้แข็งไปที่ไหนก็ไม่สําเร็จประโยชน์ที่ตั้งใจใเคยเห็นสสมสไหตอนก่อนที่จะเป็นสสเนี่ยมาถึงโอ้มือไม้อ่อนนะอะไรก็ได้ยกมือไหว้เด็กก็ได้เนี่ย พอได้เป็นแล้วไม่พูดถึงเราเราไม่พูดถึงเขานะพูดถึงตรงนี้เขาจะเอาหลักการตรงนี้มาใช้ในเวลาหาเสียงยมเคยเห็นเนาะนะหลวงพอ่อหลวงพี่ครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่เนี <c> ่ย <oughs> คงจะเคยเห็นเนาะ <c oughs> นี่แหละคือหลักการนี่เขาเอามาใช้ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นคนกลางเป็นคนกระด้งางทำใหญ่ทำตัวเดินผ่าน บอกหน้าวัดยาวไปโน่นแทนที่จะได้ดื่มน้ำเย็นๆจากญาติโยมแถวนี้หรือว่าจะได้อะไรดังวันอะไรที่ตอบแทนทำพูดที่หวานหวานคำพูดที่ไพเราะหรือแม้ว่าอาหารการกินการดื่มแม้จะมีธุรกิจอย่างใดๆก็แล้วแต่ จะได้ไหมโยมแถวนี้ก็ไม่ให้เหมือนกันเอ่จะให้อะไรมายัางไงเจ็บไหนท่านจะเป็นนายพลนายพันหรือจะมียศถาบรรดาศักมาจากไหนก็แล้วแต่เพราะพวกโยมแถวนี้ไม่รู้จักแล้วก็ยังมาทํากลางอีกนะใช่ไหมอ่าดีไม่ดีจะเดินไม่ตลอดขอกันด้วยะมายัางไงวันนี้วใช่ไหมนี่เองเขาเรียกว่าไม่มีน้ำมูอยู่ในใจ ไม่มีความนอบน้อมถม่มทนในเจ้าของสถานที่ในสิ่งไหนไหนก็แล้วแต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระจะไปที่ไหนไหนก็แล้วแต่ให้คำานึงถึงบุญตัวนี้เอาไว้อย่าได้ไปทำอย่างนั้นเป็นอันขาดนอกจากจะไม่ได้อาหารบิณฑบาตมาอยู่มาฉันแล้วยังจะได้รับโทษอีกด้วยขาดบุญในการอ่อนน้อมถมตนทีนี้ ใครจะมีศรัทธาเอามาให้เขาจะมีศรัทธาถวายดัยงนั้นถึงแม้แต่คําพูดก็ต้องเป็นคําพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีปิยะวาจาอย่างที่พระองค์ทรงท่านไว้นี่มาจากน้โมเป็นพื้นฐานทั้งนั้นถ้าพูดที่ไม่สร้างน้าโมเป็นพื้นฐานจะพูดหวานหวานก็พูดไม่เตี้ยนมันกระั้างมันแข็งไปหมดแม้แต่คําพูดก็กระด้างการแสดงออกทั้งพฤติกริยาส่วนนอกก็ออกมาจากใจบอกว่าผู้ไม่มีน้าโมคนไม่มีน้าโม ไม่มีบุญในการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีความนอบน้อมใครใคทั้งหมดพุทธเจ้าหลังจากตัสรู้แล้วทบทวนดูพุทธาประเพณีในหัหลังว่าเราเป็นสยามภูแล้วเราตัดสรู้เองดูเองเห็นเองในส่วนที่เราเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยแล้วเราจะเคารพใครวันั้นเถะแล้วเราจะนับถือใครเนี่ยพระ อ, องค์ทรง และลึกถึงอดีตอติตังษยานเกิดขึ้นหมายถึงยานในหนหลังอเออพระพุทธประเพณีพระพุทธเจ้าในก่อนหรือองค์ก่อนก่อนที่ตัดสู้มาเข้ารบในพระธรรมนี่ตั้งปรากฏอยู่ในพระสูตรพระแสดงธรรมอยู่พระพุทธเจ้าจะไม่เสด็จเข้าไป คือทําเป็นพุทธเผอเพณีให้อริยาสาวกสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจว่าแม้เราจะถรู้แล้วเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายเราก็มีส่วนที่จะทําความเคารพคือเคารพในพระธรรมพระแสดงธรรมอยู่พระมารสรมพุทธเจ้าจะไม่เสด็จเข้าไปจนกว่าภา ร, ราคิจนั้นจะเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจ ะ, จะเสด็จเข้าไป คือทําให้เป็นแบบอย่างพุทธประเพณีว่าพระนุนทุนถ า, ถามถึงเรื่องนี้หรือภิกษุรง์มีความสงสัยก็เลยจัดถึงเรื่องว่าพุทธประเพณีพระพุทธเจ้าในอดีตได้นําปฏิบัติมาอย่างนี้พระองค์ก็ทรงปฏิบัติตามพุทธประเพณีเนี่ยทําไมตึงพูดโยงมาถึงตรงนี้เพราะว่า ณโมตัวเดียวนี่น่ะมันจะทําให้สําเร็จประโยชน์บรรลุเป้าหมายคือจุดมุ่งหมายที่ท่านอาจารย์มหาพรพูดถึงเมื่อกี้นี้ถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายไม่มีณโมยากแก่กันที่จะเข้าถึงพระครวายากแก่กันที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นพระพุทธเจ้าเพราะมันขาดบุญในการนอบน้อมขาดบุญในการถ่อมตัวถ่อมตน มันจะเกิดทิฏฐิมรณาพะขานว่าเราเป็นผู้รู้แล้วเห็นแล้วใหญ่แล้วรู้มามากแล้วอะไรก็มากทั้งเรื่องทุกเรื่องมันเล ย, <c oughs> เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> มันจะไปปิดบังอยู่ตรงนี้นายโยมนะคือตรงนี้ให้เข้าใจตรงนี้คือเราจะทำอะไรถ้าไม่ไม่มีขั้นตอนมันทำยากเพราะเราไม่ใช่เป็นสยมผู เรายังจะต้องจเจริญรอยตามท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านนำศึกษานำปฏิบัติมาที่คุยกับโยมที่อยู่อุตจเลดิตเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องโยมเนี่ยมีศรัทธามีศรัทธาที่คิดว่าจะพยายามสุดชีวิตอะไรอย่างนั้นเท่าที่ฟังอยู่เมื่อกี้นี้ที่นี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องตรงนี้แหละตรง ที่ว่าโยมก็ดีพระก็ดีถ้าสมมติว่าได้สมาทานหลักการปฏิบัติเหมือนพระอยู่ปริวาสพระอยู่อจํ า, าจพรรษาก็แล้วแต่เพียงเท่านี้ยังจะทําให้สังขกรรมหรือกรรมส่วนนี้แตกแยกได้แตกแยกตรงไหนตัวท่านเองเป็นคนแตกไม่ใช่คนอื่นแตกอาจจะไม่ใช่หมู่คณะเพราะท่านแตกของท่านเองคืออยู่ไม่ได้ทําไม่ได้ ถ้าท่านทำไปแล้วอธิษฐานไปแล้วไม่ว่าจะอยู่จำพรรษาไม่ว่าจะเราจะมาสมาทานปฏิวัติหรื อ, อมานัดอะไรก็แล้วแต่อยู่ไม่ครบกําหนดไม่ปฏิบัติตามหลักที่กูบาจาย์คณาจันที่ท่านรวมหมู่รวมกลุ่มอยู่เนี่ยนํานําพาธรรมนําปฏิบัติได้รับความทุกข์ยากลา บ, บาก น, นิดๆหน่อยๆ อ, อะไรเนี่ยเราก็เลิกซะทิ้งซะแล้วก็หนีไปถาดใช่ไหมเนี่ย ขาดอะไรขาดอธิษฐานขาดสัจจะที่เราอยู่ในหมู่ในกลุ่มไม่ได้ปฏิบัติตามหมู่ตามกลุ่มถ้าทําอย่างนี้ก็แสดงถึงแล้วว่ารู้แล้วว่ามันเกิดความโลเลเหลวไหลมันเกิดความล้มลุกคุกคลานใช่ไหมโย ม, มเราอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ตลอดอันนี้ไม่ได้พูดถึงโยมพูดถึงพระนะยังอยู่จำภาษาสามเดือนไตรมาสนี่น่ะอธิษฐานราษาว่า จะอยู่สามเดือนใจมารร่วมกับคณะสงฆ์ที่อยู่ในอารามนี้อาวาสนี้หรือที่ภาคสงฆ์ที่ไหนก็แล้วแต่หรือจะไปสมาทานอยู่คนเดียวก็ได้หมายถึงว่าพโคนไม้นี้เพลขินนี่ถ้ำนี้อะไรก็แล้วแต่ถึงฤดูกานอยู่จำพรรษาจะไปอธิษฐานว่าเราจะสมาทานการอยู่ที่นี่ตลอดสามเดือนใจมารตามหลักการสมาทานของการอยู่จําพรรษาพอมีปัญหาขึ้น ไม่ได้จำเป็นอะไรมากนะักพะที่จะแก้ไขได้อยู่แต่ว่าขาดความอดทนขาดความอดกัน้นแล้วขาดการที่จะใช้สติปัญญาพอที่จะแก้ไขให้ตนเองเป็นอยู่ได้ตลอดสามเดือนละทิ้งคำอธิฐานไปคำสมาทานไปก็เทือว่านั่นแหละขาดจากคำอธิษฐานขาดจากสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ ถ้าจะเกิดความโลเลเหลวไหลไปด้วยยอมไปสมาทานขอขึ้นกรรมฐ า, านหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตั้งสัจจะว่าเออจะอยู่ที่นี่ตลอดสามคืนสามวันอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างจะไม่ไปไหนมาไหนใครจะมาดา่าใครจะมาว่าอะไรก็ช่างที่มันไม่เกินความจําเป็นไม่ไม่เกินความจําเป็นที่เราจะสมาทานอยู่ ต้องอยู่ให้คบรบลาตีถ้าไม่คบรบลาตีก็ถือว่าล้มเหลวทีนี้มันจะไปพ้องกับสัจจะบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าบรรจุเอาไว้ในบา ร, รมีสิทธัศถ์นะนี่ตรงนี้ทีนี้ต่อไปจะทำอะไรก็ล้มลุกคู่คันไปเรื่อยเคยเห็นหลายคนแล้วไปขอขึ้นทำกรรมาฐานกับอาตมาที่ที่วัดก็มีทมี่อื่นก็มีตั้งขัน ขึ้นแล้วก็ไปขอสมาทานจะมอบกายถวายชีวิตตามหลักของการขึ้นกรรมฐ า, านหรือขึ้นธรรมสมัยก่อนครูบาอาจารย์นั่นเรียกวขึ้นธรรมนะโยมขึ้นธรรมโยมรุ่นโยมอยู่ข้างหน้าเนี่ยโยมมีอายุสูงแล้วคงจะเคยได้ยินว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนหรือพระแต่รุ่นเก่านะ ท่านไปขึ้นกรรมาฐานนี่แหละกับพระผรูบาาจารย์รุ่นก่อนท่านจะเรียกว่าขึ้นธรรมพอไปขึ้นแล้วปฏิญาณก็ท่านแล้วเอามารักษาไม่ได้ใช่ไหมนี่เนี่ยก็เกิดความร่มเหล่อนะเท่ากับเราเสียสัลจารอธิษฐานเหมือนกันพระไปปรากวดอยู่ในปานน่าในเขาเนี่ยเหมือนกันอยู่ในบ้านก็เป็นอย่างหนึ่งนิยมอยู่ในป่าก็เป็นอีกอย่าง มันจะมีเหตุคล้ายกับว่าส่วนอันเป็นกุศลหรืออกุศลมันจะเกิดก่อนเกิดหลังถ้าอากุศลเกิดมามันจะมาเหมือนกับทดสอบเหมือนพวกโยมทั้งหลายพราชทั้งหลายนั่นเรียกว่าม า, ม, มานมันทดสอบมันทดสอบหรือมานมันแกล้งว่างั้นเนี่ยตรงนี้แหละอทีนี้เราไม่เข้าใจเหตุที่ไปที่มาเราก็ล้มจ้ะล้มนคําว่าล้มนี่หมายว่าถอนโกดถอนอะไรหนีวน่ะถอนทิ้งเลยวะน่ะไปเลย ไม่รักษาลาตีถ้าบอกว่าเอออะไรจิเกิดขึ้นก็ช่างเราจะอยู่ตรงนี้แหละหนึ่งลาตีสองลาตีสามลาตีเจ็ดลาตีแล้วแต่วความเหมาะสมที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติเรื่องทุดลงวัดตรงนี้นะ่ะบางทีอาจจะมีเสียงแตกบางทีอาจจะมีสัตว์ผ่านอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะได้ยินเสียงรุ่มลึกที่มันไม่เคยได้ยินน่ะเพราะเกิดความสงบงัดเงียบเข้าได้ยินเสียงทักท้วงว่าเอออย่างโน่นเอออย่างนี้อากุศลมันเริ่มสิงสู่ ทังหูทางตาทางกลิ่นทางอันไหนก็แล้วแต่เรียกว่าในทาวารหกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ่ะมันเกิดปรุงแต่งขึ้นอย่างรบรวดเร็วนะ่ะเป็นเหตุให้เราเกิดเสียสัจจะเสียอธิฐานทีนี้พอถอนไปแล้วมันก็จะเกิดปัญหาไปเรื่อยไปตั้งที่ใหม่ก็ถ้าอะไรเกิดเอาอไปละไปเรื่อยทีนี้นี่เอง การศึกษาทำปฏิบัติธรรมก็เลยไม่บรรลุปเป้าหมายตามที่เราตั้งใจเอาไว้แม้แต่ลาตีเดียวก็ไม่ผ่านสองลาตีก็ไม่ผ่านนะทีนี้พอพอเลิกจากตรงนั้นไปพอนึกได้เออไปทําตรงนั้นเถอะดีมจะได้ไม่มีอะไรรบกวนนะพอไปทําอีกมันก็เหมือนเหตุบรรนันดาลตรงนั้นก็คิดว่ามันปลอดภัยแล้วจะดวกสบายแล้วเออ ตรงโน้นมันมีสัตว์ผ่านสัตว์คืออะไรสัตว์ปลาเขาก็อยู่ตามเรื่อง ต, งตงามเราคอยหลบหรืออาจจะเป็นสัตว์จริงๆแล้ว จ, จะตาลายไปก็ไม่ทราบนะอาจจะเหยินเสือยินงูใหญ่พันเข้ามาโอ้ใจใคจะอยู่ได้ะนะพอไปตามที่ใหม่อาจจะได้ยินเสียงขู่ก็ไดนะ้จะไม่รู้ว่าใครขูเ่เราหรือใครทักท่วงเราเดินหาหาตัวหาตนไม่เจอ ว่าไม่เจอแล้วถอนีองแล้วหนีเองแล้วไม่ผ่านแล้วตเกื่อนเดียวก็ไม่ผ่านสองขึ้นก็ไม่ผ่านมันจะรมลุคู่คันไปเรื่อยๆนี่ท่านถึงว่าถ้าได้ตั้งสัจจะขึ้นได้ตั้งอธิษฐานขึ้นแล้วให้พยายามรักษาขั้นตอนตรงตรง้นๆให้ได้อย่าให้มันเสีย อ, อธิษฐานอย่าให้มันเสียสัจจะที่เราตั้งขึ้นทีนี้มันจะไม่บรรลุเป้าหมายในบา ร, รมีทั้งสิบทัศนา์า ยัตจะตัวเดียวเสียทิฏฐานอันเดียวเท่านั้นจากท่านจากศีลไปถึงอุเบกขาล้มหมดทำไมถึงว่าอย่างนั้นนี่หมายถึงผู้ศึกษาทำปฏิบัติธรรมนะท่านในความหมายตรงเนี้ยท่านเสียพยายทานเนาะอพยาทานนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเพรงให้เข้าใจใหท่านให้เข้าให้น้ำเป็นทัพพีเนี่ยให้เงินบาทเงิน ยีสิบบาทสิบบาทแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายให้แล้วก็ไปเพรมีศรัทธาให้เลยอาไปยท่านนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะโยมไอ้คนนี้แหละมันเคยโกงที่ฉันไปเห็นหน้าเมื่อไหร่จากกันไปตั้งสิบปียังสะดุ้งเลยใช่ไหมไอ้คนนี้มันเคยเอาลู่กับเมียเข้าไปฉันไปนะเหรอเห็นหนา้าเมื่อไหร่ก็สะดุ้งทันทีเพราะตัวลึกๆมันไม่ยอมให้ แต่ตอนที่อยู่ห่างๆกันเนี่ยไม่เห็นกันเนี่ยลืมๆไปหรือว่ามันไปถึงไหนมันตายไปแล้วแหะพอไปเจอกันที่ไหนก็แล้วเต่ไอ้นี่น่ะมันเคยรักลูกสาวฉันไปรักหลานสาวฉันไปพี่สาวฉันไปมันเคยโกงที่ฉันเอาไว้ใช่ั้มโยมจะลุ้งทันทีนั้นเนี่ยนี่นี่นี่คือหมาปว่าแรงพยาบาทหรือแรงอาฆาตหรือความโกรธที่ฝังเอาไว้ลึกๆน่ะ มันผูกพันอยู่เป็นแต่เพียงว่าเราจะมีสติยับยั้งว่าไม่ไปทำการก่อเวียนอยีกเท่านั้ น, นใช่ไหมนี่ตรงนี้เองคำว่าทานเนี่ยท่านถึงบอกว่าที่ให้ยากที่สุดคืออภัยทานตรงนี้ทีนี้ศินก็เหมือนกันไล่ไปเถอะถึงน่วยถึงสิบข้อน่ะ อ้าเรามีสัจจะอยู่มีอธิษฐานอยู่เนี่ยเกิดอะไรก็ช่งางเราเราจะไม่ตกโ ต, โตในทางมิจฉาทิฐิเราจะใช้สติรักษาสัมมาทิฏฐิเป็นหลักในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่มีการปฏิบัติการจองเวนเมื่อไม่มีการปฏิบัติการจองเวนไม่มีพยาบาทในในสองอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในจิตในใจจริงๆแล้ว ว่าการเอาภัยทั้งหมดเกิดแล้วตรงนี้จิตวางลงแล้วนั่นสาภาพธรรมจะปรากฏแล้วยมจะรู้จักคําว่าเมตตาคําจุนโลกกันวนะทีเนี้เพราะจิตมันวางเองไม่ใช่คิดเอาเหมือนกับยมทําภาวนาหรือกําหนดอะไรก็ได้กําหนดไปกําหนดไปมันไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นมันมีสาภาพธรรมส่วนหนึ่งปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ย ที่นีจิตเราทิ้งพวกนั้นทั้งหมดมาจอ่ออยู่ตรงนี้เพราะเรายังไม่เคยสัมผัสรู้สัมผัสเห็นเหมือนจิตตั้งเป็นสภาวะของสมาธิขึ้นในขณะปฏิบัติเกิดความสว่างขึ้นก็แล้วแต่เกิดนิมิตขึ้นก็แล้วแต่ในขั้นตอนเริ่มต้นสภาพจิตก็เกิดความแตกแปกแตกต่างไปจากที่เรายังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน ก็เลยวางพวกแรงพยาบาทโดยอัตโนมัติบางการจองการปฏิบัติการจองเิีนโดยอัตโนมัตินี่นี่คือเพื่อที่ไปที่มาของการวางไม่ใช่ไปคิดวางเอาในยมฉันวางแล้วฉันวางแล้วแต่ที่จริงมันไม่ใช่เพราะเหมือนกับที่พูดว่าอภัยทานเป็นของให้ยากมันวางตอนระยะที่ที่เราไม่เห็นไม่เจอกันเท่านั้น พอเจอมาหลยมันจะดุงขึ้นมาทันทีเนี่ยแต่ว่าดีอยู่ที่ตรงว่าเรามีสติไหมมีสติที่ไม่ไปปฏิบัติการจองเย็นไหมตรงนี้จะผ่านไปก็เลยผ่านได้ตรงเนี้ถ้าเรายังมีจิตควนขวายจะปฏิบัติการจองเย็นอยู่อันนี้ก็เลยไม่ระงับสักทีความทุกตรงนี้ก็จะทับถมไปเรื่อยๆ ก็จะส่งเสพไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก็บเป็นอะไรอะเป็นข้อมูลไปเรื่อยๆหนักเข้าในที่สุดความทุกข์ตรงนี้มันจะเติบโตเหมือนดินพอกขังหมูน่ะ <c oughs> ใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติในเรื่องการทำภาวนาจเจริญภาวนาอยู่บ่อยๆมันมีสภาพทำตัวอื่นเข้ามาขวางรือเราได้ไปสัมผัส สิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสไปรู้ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไปยึดเอาตรงนั้นมาเป็นเครื่องบรรเทาที่ไอ้ตัวพวกนี้ทั้งหมดมันก็เลยหมดไปพ้อยขาดตัวไปค้อยหายไปเรียกว่าหลักการฝึกสมาธิของการฝึกตอนขั้นเริ่มต้นนะเแต่นั่นแหละถึงบอกว่าจะต้องสร้างละโม ถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในผู้มีพระคุณทั้งหลายศรัทธาในบุญในกุศลที่จะต้องสร้างต้องทําต้องปั่นปั่ให้มีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วยังเผื่อแผ่ไปหาลูกหาหลานหาญาติพี่ญาติน้องญาติที่อยู่ห่างอยู่ใกล้อะไรก็แล้วแต่ทีน่นี่จิตใจมันจะวางส่วนนี้ไปเลยๆปั่นปั่นไปในทางไหนจะไปทางนั้นสภาพจิตของคนเราสร้างได้คือสร้างตรงเนี้ย นั่นเองตั้งไปเรื่อยๆจนเป็นนิสัยนานเข้าเป็นอุปนิสัยนานเข้าเป็นขันธสันดานนีคำขึ้นก็มาฐานว่าให้เกิดขึ้นในขันธสันดานเะฉะนั้นใช่ไหมโยมนี่เองเือให้มันใหญ่มันโตจนแข็งจนทุบไม่แตกก็ได้เพื่อแต่ทุบไม่แตกเมื่อไหร่เออนั่นเองหมายความว่ามันได้ฐานอย่างแข็งแรงได้ฐานเหมือนที่ว่าตั้งน้ามูนี่แหละ มันแผ่นดินที่รองรับก็ไม่แตกแล้วล่ะยังไงใครทำอะไรก็ไม่แตกหม้ว่าล้มศรัทธาฉันไม่ได้นั่นเองเหมือนท่านเก่าไว้ว่ามีพระโสดาบันเท่านั้นที่จะไปล้มศรัทธาท่านอยากที่จะไม่ให้เชื่อถือว่าพระพุทธเจ้าดีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมดีจริงพระธรรมประเสริฐจริงพระริยะสงศ์ดีจริงพระริยาสงศ์ประเสริฐจริงนี่ท่านวัดจิตของท่านโสดาบันเท่านั้นนอกนั้นยังโลเลอยู่ <c oughs> ท่านเก่าไว้อย่างนั้นนะคือในพระสูตรท่านเก่าไว้อย่างนั้นจะให้ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีพระทำที่พระพุทธเจ้าจะจะรู้มาไม่มีจริงหรอกไม่ดีจริงหรอกพระสุดาบันทำไม่ได้นี่เดียกว่าท่านมอบกายถวายชีวิตในพระรัตนตรัยแล้วยานี้ที่พวกเรากําลังฝนขวอยอยู่เมื่อขวนขวอยก็จะต้องพยายามท่านถึงบอกว่าให้มีหลักภาวนาให้เกิด ติตเกิดสมาธิเกิดปัญญาในขั้นตอนในการทำภาวนานตรงนี้นโมนี่ไม่ใช่พูดมากหรอกนะไม่ได้พูดเดยอะเพราะพูดตามที่ว่าท่านอาจารย์มหาพรท่านบอกว่าเอออยากฟังนโมสักหน่อยคือนโมตรงเนี้ยพูดในแง่มุมของการให้สร้างศรัทธาให้เกิดมีจิตใจนอบน้อมเกิดมีจิตใจอ่อนน้อมมันถึงจะมีศรัทธาได้ ถ้าคนเรายังแข็งอยู่ยังกระด้างอยู่ยังกังอยู่ไม่มีศรัทธาแน่นอนทําอะไรก็อาจจะทําขึ่งๆกลางๆจริงๆควงๆก็อย่างนั้นเพราะมีความเชื่อไม่สนิทใจตรงนี้เองต้องสร้างขึ้นให้ได้เมื่อสร้างขึ้นได้ก็เหมือนกับท่านทั้งหลายที่มาอยู่ปริวาสนี่แหะเมื่อสร้างศรัทธาตรงนี้ให้เกิดขึ้นในพระรัตนใจได้ แล้วต่อไปก็อาจจะใกล้เข้าไปเรื่อยอาจจะแตกเข้าไปเรื่อยเพราะมีการคิดค้นหาค้นหาอะไรค้นหาหลักการหลักการอะไรหลักการที่อยากรู้อยากเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตะจะรู้มาตามหลักที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนตามดลักที่ภริยะเจ้าท่านสืบต่อตามดลักที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดเอมันดีจริงๆนะหรือด้วยยังไงวะ เกิดข้อสงสัยขึ้นพอเกิดความสงสัยขึ้นหมายว่าพอเราสร้างนะโมให้เกิดขึ้นในใจอยากเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะต้องขวัญขวายศึกษาพอศึกษาได้แนวทางแล้วเออทำอย่างนี้ล่ะอุบาจันท์ท่านกล่า ว, ว่าก่อนที่จะเข้าไปรู้ธรรมเห็นธรรมจะต้องปฏิบัติอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้ในขั้นตอนเริ่มต้นอ่นะ เราจะสร้างวุ่นในลักษณะไหนจะให้เกิดกุศลในลักษณะไหนแล้วก็จะให้รู้ทำเห็นทำตามหลักการที่เราจะปฏิบัติเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจะทำอย่างไรนี่เองต้องทำให้เข้าใจหลักการเมื่อไม่เข้าใจหลักการการเริ่มต้นยังจานขั้นพื้นฐานตอนแรกเข้าไปเนี่ยบางทีมันอาจจะรู้ยากรู้ยากพออะไรทำไปนิดๆหน่อยๆพรา ไม่ท่านจะเข้าใจหลักการจริงๆเลยยังไม่ท่านจะสัมผัสความใหม่แตกต่างเราเรายังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนนียไม่ได้ก็เลยทําให้ไม่มีศรัทธาพอไม่มีศรัทธาก็ล้มเออมันไม่มีจริงๆหรอกไอ้บุญก็ไม่มีไอ้บาปก็ไม่มีนักหนาทั้งกูก็ไปทํามาแล้วเหมือนกันหมดหลับวลับนอนเป็นคืนๆเหมือนกันไปนอนกี่กี่คืนกี่ชั่วโมงเพราะที่จะเข้าไปรู้ทำเห็นทำ แล้วถามว่าตั้งแต่เมื่อก่อนเกิดมาอายุตั้งสี่สิบขึ้นมาแล้วถึงมาทําในระยะที่ท่านอาจารย์มหาพิรพงษ์มาจัดปริญญาศึกษาก็หม่ยท่านจัดมาตั้งเก้าปียี่สิบปีแล้วแล้วมันไปทํำมาปีที่แล้วเนี่ยสองสามปีมานี่แหละไปทําตอนไหนตอนท่านจัดปริญญาศึกรรมทีในสองสองสามปีที่ทํามาเนี่ย ท, ทําทีละเก้าวันเอ้า ก้วันนี้วันหนึ่งทํากี่ชั่วโมงทํากี่นาทีอา้าวที่ใจเราตั้งใจทําจริงๆเนี่ยทำกี่นาทีทํากี่ชั่วโมงต่อ ว, วันทีนี้ในก้าวันนี่ทาได้กี่ชั่วโมงเอาใจไปทําจริงๆนะไม่ใช่เอาไปทําเรื่องอื่นเอาใจไปขวัขวายที่จะทําภาวนาในหลักการปฏิบัติธรรมเนี่ยตามหลักที่ท่านให้นหลักการไหนก็ได้หมายความว่า ท, ที่ที่ตั้งใจทํา แล้วทําเท่านี้พอจะเข้าใจธรรมะไหมเขาทำมมาตั้งยี่สิบสามสี่ปีมันก็ยังรู้อยากที่นี้ของเก่าของใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเรามีของเก่ามามากแค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่นี่นก็เลยมาคิดว่าเออทําแค่นี้ก็จะบรรลุธรรมแล้วไอ้มันจะไปยากอะไรอยา่างนั้นพระพุทธเจ้าทำมาเป็นอรสงฆ์ไทยลายอรสงฆ์ไทยจนกว่าจะมาแต่จรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้คือพระสูตรท่านเก่าไปอย่างนั้นใช่ไหมแม้แต่มหาสาวกเช่นพระสารีบุตรเนี่ย ทำเกียรติสมไขกนะี่นับกันเป็นสงแขกนะี่ไม่ใช่เป็นกลับเหกันเลยเนี่ยจึงจะมาเป็นมหาสาวกชื่อพระษารีบุตรในศาสนาของพระพุทธเจ้าเราพระโมคคัลลาก็ดีพระมหากัจจป่าคนดีที่ปรากฏชื่ออยู่ในมหาสาวกหลายท่านพากันวางรากฐานศาสน า, าไว้สืบต่อจากพระพุทธเจ้าให้ปรากฏอยู่กับชาวโลกตั้งสองพันกว่าปีเนี่ยเช่นพระมหากัสจป่เนี่ยสอนธรรมะ โอนมาจากที่เบตมาจีนมาไหนหนึ่งมาเรามาเก่าไปถึงเวียดนามห น, นึ่ท่านวางรากฐานมายาวทังสายเหนือท่านเรียกว่านี้กายเซนเซนยังมาจากของพระมหามกุฏก็คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละนี่หมายถึงว่าท่านได้พากันสืบสารช่วยพระพุทธเจ้าช่วยงานพระพุทธเจ้ารือขนสัตว์ออกจากโลก ตรงเนี้ยท่านบำเพ็ญมายาวพวกเราไม่พอนั่นก็ยังบอกว่าโอ้ยรรมาจึงไม่รู้ว่าเท่าไรละก็จะให้ได้ผลตามที่เราต้องการหรืเราตั้งใจอันนี้ที่จริงจะเอาเปรียบอุบาอาจารย์สาวกผู้ใหญ่ที่ท่านทำงานหลักมากกว่เรามากน้อยเช่ไหนใช่ไหมแต่เมื่อคิดตรงนี้แล้ว ทีนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าเราบำเพ็ญมามากน้อยแค่ไหนเพืจะให้รู้ทำเห็นทำทันทีทันใดเราต้องเอาคอนนี้มาเปรียบเทียบว่าก่อนจะมาถึงอายุสี่สิบปีก็ดีห้าสิบปีก็ดีหกสิบปีก็ดีก็เพิ่งจะหันหน้าเข้ามาหาจาันพิโลพงศ์สี่ปีห้าปีเก้าปีสิปีจะให้ได้ตัวบุนตัวกุศลให้เห็นทันหูทันตา น, นี่ยโค้งจะเป็นไปยากอยู่สักหน่อยถ้าท่าน หนึ่งท่านใดที่สามารถที่ทําได้ในขั้นพื้นฐานดูเห็นธรรมะในส่วนที่จะทําให้ศรัทธายั่งยืนแข็งแรงถาวรสามารถสืบอายุการาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปรากฏในหมู่คณะได้อันนี้ก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะอย่างน้อยน้อยท่านก็มีมีส่วนส่วนที่ช่วยให้หมู่ให้คณะให้เพื่อนให้ผู้งให้ญาติธรรมตั้งหลายได้ เกิดศรัทธาในตัวท่านว่าท่านเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นในส่วนไหนก็ได้ว่าได้เข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาที่ภริยาเจ้าทั้งหลายสืบสารมาที่ผูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายสืบต่อมาถึงทุกวันเนี้ยนับว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่มาช่วยสืบ อ, อายุการศัตนาของพระพุทธเจ้าให้ยาวต่อไปอีกนี่หมายถึงตรงนี้ ถึงท่านจะไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์จริงๆก็ไม่เป็นไรเป็นได้เพียงว่าสร้างฐานะให้ปรากฏในสายตาของหมู่คณะของญาติธรรมทั้งหลายได้นี่ก็เป็นมหากุศลอย่างยิ่งแล้วทําไมถึงเด่นนาเรื่องนี้มาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายฟังเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยมีหลายหลยฝ่ายที่โลกกําลังสับสนวุ่นวายเนี่ย กำลังหันหน้าหันหลังถะแข่งข้างว่าจะไปทางไหนดีเพราะงั้นเถิดจะถะแข่งข้างหันหลังให้โลกสมัยใหม่ก็ยังไม่ยังไม่ถะ แ, แข่งข้างหันหลังให้จริงกำลังยืนบ้านโครนานโล้วว่าไงก็ ย, กยืนแก่แก่กลงทาง <c oughs> จะเดินไปทางไหนดีพื่อนเถ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมโยมนี่เองบางพวกปรั่งก็มี กำลังจะค้นหาหลักการจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไปลองศึกษาไปลองปฏิบัติเอาผลออกมาดนะูจะทําเป็นจริงเป็นจังนะไม่ทราบว่าจะได้จริงจังแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่เมื่อศึกษาไปถูกทิศทางก็เป็นมหากุศลของเขาเองถ้าผิดทิศทางก็อาจจะเป็นบาปอยู่บ้างเล็กน้อยบาปของเขาเองนั่นแหละนะจะเอาไปใช้ถูกทางหรือผิดทางอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ผู้ที่เขาค้นหาอันนี้ฝรั่งก็มีเดี๋ยวนี้กําลังคิดว่าจะนําคําสอนของพระเจ้าเนี่ยไปฝึกสมาธิไปค้นหาอะไรต่ออะไรที่เรียกว่าสัจจภาวะที่ปรากฏได้หรือไม่ได้อะไรอย่างนี้มีมีมีเยอะแยะเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินข่าวนะฮะทีนี้พวกเราทั้งหลายในยผู้เฝ้าคำทีเฝ้าตู้อยู่เนี่ยบางหลอกบางนาเขามาเอาหลักสูตรจากเราไปก็มีนี พวกเราก็พยายามนะอย่างนี้ก็เอาไปอย่างเดียวเราก็เอาบ้งางมะเป่าจนตู้กำพรีพังปูไปหมดเหมือนกับไ้ไล่ผัวกินตู้นะอันนี้ไม่ใช่มาว่าโยมหรือไม่ใช่มาว่าพวกท่านทั้งหลายนะหมายความว่าอยากให้ทุกท่านทุกองเนี่ยควไหวผู้ใดควไหวได้ก็เป็นบุญของท่านเองเป็นกุศลของท่านเองเนี่ยตรงนี้เองอันนี้ผมเองก็พูดจเะเปลี่ยนจะปลมาอย่างนี้คือพูดไปตาม คามเห็นของผมงนะนะที่นี้ก็เลยจะขอฝากหลักการปฏิบัติเอาไว้นิดหน่อยๆเผื่อว่าท่านจะต้องการเอาส่วนไหนไปทําไปปฏิบัติก็แล้วแต่คือผมเองเนี่ยคิดว่าหลักการปฏิบัติเนี่ยไม่มีการขัดข้องอะไรหรอกท่านองค์หนึ่งองค์ใดหรือญาติโยมท่านหนึ่งท่านใดจะเอาหลักการไหนไปทําก็ขอเอาไปทําให้จริงจังคือหลักการครูบาอาจารย์ก็มีหลายหลักการหลักการที่ว่าหลายหลักการหมายความว่า เราจะใช้หลักภาวนาแบบไหนเราจะใช้หลักการกําหนดยังไงอันเนี้ยหมายถึงอย่างนี้คืออันนี้มันเป็นหลักการของการหาพื้นฐานของการฝึกสติฝึกสมาธินี่เองถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิตั้งมันมันจะพิจารณารรมยากหรือไม่เข้าใจธรรมะในบางสิ่งบางอย่างคือปริยัติท่านก็เขียนเอาไว้อย่างดีแต่เราไม่ไม่เข้าใจคืออ่านไปก็เข้าใจแล้วก็มีศรัทธาในปริยัติ แต่ว่าการลงมือปฏิบัติตรงนี้ให้หาตรงนี้ก่อนศรัทธาในกุบาารย์องค์ไหนก็ได้ที่พวกเราใช้กันอยู่ในบ้านเราเมืองเราเนี่ยเช่นจะเอาพุโทโธไปภาวนาเอาสัมมาละหังไปภาวนาเอาพองเอายุปไปกำหนดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือจะจับสภาวะไว้นิ่งหรือเคลื่อนไว้อะไรก็แล้วแต่ อันนี้เป็นหลักการของการเริ่มต้นของการหาพื้นฐานของเจตติของสมาธิ <c oughs> ตามปกติพวกเรายังไม่เข้าใจว่าสติคืออะไรจริงๆนะสมาธิจริงๆเราก็ยังไม่เข้าใจทำไมถึงว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นชื่อเรียกท่านสมมุติให้เราเรียกว่านี่คือสตินี่คือสมาธิที่นี้สติจะมานี่เราจะต้องพยายามหาที่ไปที่มาวะ สติจ ร, จริงๆคือเราจะทําอะไรให้เรียกสติเช่นเรากําหนดการภาวนาอย่างเนี้ยทําไมถึงต้องไปภาวนา ต, ต้องต้องต้องพูยกันตรงนี้ก่อนภาวนาที่ยังถามว่าเอาอะไรไปภาวนาอยู่ใช่ไหมทำไมถึงต้องทําอย่างนั้ น, น, นเพราะว่าปกติเนี่ยสติพวกเราเป็นสติเลื่อนลอยทําไมถึงว่าเลื่อนลอย พอไปฝากไว้ตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้ตโนตามที่จิตจะคิดไปอันนั้นจิตไปเอาเอ า, เอาไปฝากไว้กับเรื่องโน้น เ, เรื่องนี้เป็นสตินี่เองแตอ่อย่างนั้นก็เรียกว่าสติเรื่องลอยไม่ใช่เป็นสติของเราจริงๆอย่างนั้นเราถึงมากาหนดว่าให้รู้ว่าเราจะทาอย่างไรถึงจะให้มีสติดีขึ้น ไม่ต้องเอาขั้นสมบูรณ์แล้วเอาคำว่ามีสติก่อนดีก่อนตรงนี้ก่อนเพราะเราไม่มีสติในลักษณะนี้เราจึงไม่เข้าใจหลักหลักธรรมะที่ว่ามีสติอยู่กับตัวถ้าสติม่อยู่กับตัวมันเดื่องลอยแล้วออไปอื่นแล้วไปเรื่องไหนก็ไม่ทราบนะหลายๆเรื่องรวมกันตรงนี้ทีนี้พอเรามาศึกษาเรื่องหลักการทาภาวนาจะ อ, าอะไรก็ได้ที่เป็นคาภาวนาน เพือจะเอาวัตถุเป็นที่ที่เพ่งเพ่งของจิตไม่จิตดิ้นรนขนห่วยกวดแหวแงไปหาเรื่องอื่นมากขกึ้นไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าเมื่อจะทำอยู่อย่างนี้ทำไมจะทำงานได้อันนั้นเป็นความเข้าใจหยิกแ ง, ง่มุมหนึ่งถ้าเรามีสติแล้วเราจะเข้าใจว่ามันอาจจะดีกว่าที่ที่เราไม่มีไม่รู้กี่เท่า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 ในกายของเรานี่เอากายเรานี่แหละเป็นฐานสติในการเริ่มต้นเช่นจะกําหนดอยู่ที่ใต้จมูกหัวตาขวาหัวตาซ้ายก็แล้วแต่เนี่ยตรงบริเวณอุณาโลมเรียกว่าตรงบริเวณหน้าผากตั้งสติไว้แล้วกําหนดภาวนาแบบพุทโธพุทโธหรือจะใช้คําอื่นก็แล้วแต่สัมมาหลังกางของมอมเรียกกือกางทิศ ที่ท้ายถอยนีฐานสติทั้งนั้นสุดโคองทวงตรงนี้ที่นี้ท่านเรียกว่าห้องอาจจวัตถุกลางทรวงอกหรืออาจจะเคลื่อนลงไปนิดหนึ่งเลยตรงลิ้นปีกทีนี้เหนือนาพีก็เรียกว่าเหนือสะดือจะให้กําหนดเอาไว้ข้างในใต้นาพีเรียกว่าใต้สะดือนี่ทั้งเก้าฐานใช้เป็นฐานสติได้ทุกฐาน แล้วแต่ว่าญาติโยมไหนหรือท่านองค์หนึ่งองค์ใดจะถนัดทมทำภาวนาใช้พูดโทก็ได้ทัมโมก็ได้สังโคก็ได้ปะควาก็ได้หรือเดี๋ยวนี้ที่บ้านเราเนี่ยถนัดใช้สมาหังที่เหนือจะดือแต่ให้ตั้งว่าระหว่างศูนย์กลางใจอันนี้เป็นฐานของการทำสมาธิในการเริ่มต้นให้จิตมีอุบายทาให้จิตสงบนะนี่ในทั้งทุ ก, ทก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 ไปนาเถอไปไร่เจอไปสวนเจอไปค้าไปขายไปทำงานทำการที่ไหนก็แล้วแต่ไปสอนหนังสือไปทำราชการงานเมืองตรงไหนก็ช่างตรงนี้มันเป็นมันเป็นธรรมชาติของจิตที่อร้องเสพมาอย่างนั้นเป็นเวลายาวนานแม้แต่อาหารก็ต้องไ ป, ไปหากินอาหารมันลอยถูกลิ้นถูกตากเนี่ยเป็นอย่างงี้ทีนี้เมื่อเราจะ น้อมนวจิตใจส่วนนี้เข้ามาหาตัวเราเราจึงต้องมีฐานให้ทำฐานให้เขาทำฐานคือสร้างสตินี่เองสร้างฐานสติให้จิตเมื่อจิตมีฐานสติเป็นที่พึ่งที่อยู่อาศัยแล้วจิตจะไม่สั้นไปอย่างนั้นเพราะมันเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนความแนวความคิดเปลี่ยนแนวการตุ้งแต่งที่จะกลับมาอยู่กับที่ที่เรากำหนดให้ที่เรากาหนดให้สมมติว่า กำหนดลมหายใจเข้ารู้ออกรู้วางั้นหรือว่าเข้าพุดออกโทรหรือคำไหนก็ได้นี่คือหมายถึงว่าเราสร้างความรู้สึกขึ้นในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราจะต้องตั้งฐานว่าไอ้รู้นี่รู้อยู่ตรงไหนก่อนสมมติทําตามหลักการของการหายใจเข้าสั้นออกสั้นหายใจเข้าพุทนี่อยู่ตรงนี้นะสมมตินะตรงบริเวณท่านเรียกว่า อุณนาลมหรือทิพมหาศูนย์เนี่ยตรงตรงเหนือคิ้วตรงนี้นะเนี่ยหายใจเข้าพุทธออกโทเนะหรือเราไม่กําหนดคำพาก็บ่าหายใจเข้ารู้ออกรู้เ่ยเือเข้าเนี่เข้าทางขวาเนี่ยพอออกมากําหนดว่ารู้ข้างซ้ายหรือว่าหายใจเข้าพุทตรงเนี้ อ, ออกมาโทปลายจมูกตรงนี้นะ เ้าข้างขว่าเนี่ยมาถึงตรงตร ง, ตรงฐานฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยเนี่ยกําหนดว่าพุทธพอออกมาข้างใต้จมูกข้างซ้ายว่าโทกําหนดอยู่อย่างนี้หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ทําไมตึงให้ทําสั้นๆก่อนเพราะทํายาวมันกําหนดยากมันจะเกิดการเลื่อนลอยให้กําหนดทีน้อยคือว่าพอมันเกิดสภาวะใดหนึ่งปรากฏขึ้นก็ให้กําหนดไปอย่างต่อเนื่อง บางทีมันอาจจะเกิดในขณะที่เรากําหนดอยู่อย่างเนี้ยเห็นสีเห็นแสงเห็นความสว่างเห็นนิมิตส่วนใดส่วนหนึ่งให้กําหนดอย่างต่อเ น, นื่องอย่าเพิ่งไปจับจดใ น, ใ น, ในเรื่องนิมิตที่ผ่านมาพอมันเกิดชัดเจนขึ้นหน่อยให้กําหนดยาวทีนี้ยาวนี่เราจะเอายาวแค่ไหนยาวแค่ทรงอกกลางทรงอ ก, งอ ก, งอกลิล่นปีให้กําหนดเข้าไปข้างในนะอย่าไว้ข้างนอกมันเลื่อนลอยมั น, ม, นมันกำหนด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 กำหนดอยู่อย่างนั้นแต่ข้างล่างนี้จะเห็นเป็นฐานอยู่ให้ทําอย่างนี้ทีนี้นานข้าวลมทั้งสองเส้นเนี่ยก็จะชักลากกันอยู่ให้กําหนดอย่างต่อเนื่องถ้าเห็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งละอย่าเพิ่งปล่อยทิ้งก็เมื่อเห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้วลมจะซักพอกันอมเหลืองอมขาวอมเหลืองอมขาวเบาลงเบาลงจะพันกันคล้ายเกี่ยวเชือกเหมือนเกียวเชือกทีเนี้ย เมื่อเมื่อลมซักพ่อกันพันกันเหมือนเกียวเชือกก็ให้กําหนดไปอย่างต่อเนื่องที่นี้ลมหยาบลมกลางจ ะ, ะเริ่มตับตัวสลายไปสลายไปสลายไปจะไปรวมตัวเป็นฐานสมาธิจิตอยู่ที่ตรงฐานที่เรากําหนดตรงกลางทรงอกหรือตรงที่ฐานที่เรากําหนดที่อยู่ข้างในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะมองเห็นความสว่างอย่างนั้นให้กาหนดอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือภาวนาอยู่อย่างต่อเนื่องเนีทีนี้เมื่อลมหยาบลมส่วนนั้นปรับตัวหมดเดือฐานสมาธิจิตสว่างอยู่คนะวามสงบสังัดก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติสงัดในกายสงัดในจิตเริ่มหายเหนื่อยกายก็เบาใจก็เบานะนะตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้ถ้าสมมติว่าท่านจะพัก ให้ทบทวนก่อนทบทวนตรงไหนทบทวนว่าก่อนที่เราจะทำอย่างนี้ทำยังไงถึงเกิดอย่างนี้ทำยังไงถึงเป็นอย่างนี้ในขั้นตอนต่อไปก็ให้ทำเหมือนอย่างที่ทำคือรักษาฐานสมาธิตรงนี้ไว้ก่อนคือนี้เป็นขั้นตอนของการเริ่มต้นของการฝึกหัดปฏิบัติอาณาปานสตินะขั้นตอนต่อไปนี่ถ้าหากสมมติว่า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 รักษาไวเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแผนที่นะสองทางเนี่ยเมื่อหากว่ามีเวลามากสำพอสำหรับผูู้ึกหัดปฏิบัติให้กาหนดตรงนี้แหละว่าเบาพอจั ง, งัดพอสงบพอไหมแล้วให้น้อมก็ไปพิจารณากายให้เห็นกายในกายนี่นี่ขั้นตอนต่อไปจากตรงนี้นะตามตรงนี้ให้เกิดก่อนถ้างั้นท่านไม่ นีโอกาสจะได้พี่นากายในกายถ้าตรงนี้ไม่ปรากฏก่อนนิท่านถึงบอกว่าให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ า, ห า, ขาหายใจออกหาเห็นลมชัดเจนทั้งขึ้นเข้างเข้ า, ขาทั้งออกจนลมหยาบลมนั่นปรับตัวลงปรับตัวลงลดลงลดลงซักพ้อกันเหมือนเกี่ยวเชือกหรืออะไรก็แล้วแต่จะเห็นฐานสติฐานสมาธิเป็นดวงใสพอดวงสว่างขึ้น สงบสงัดพอในกายแล้วให้น้อมไปพิจนากายให้เห็นกายในกายถ้าสติสมาธิพอจะพิจณาเห็นกายในกายแล้วท่านจะรู้กายในกายว่ากายในกาย จ, จริงๆคือแบบไหนตามที่หลักการปฏิบัตินะนี่พอเข้าไปถึงตรงนี้แล้ว <c oughs> เราจะได้พิจนากายในกายนี่จะรู้เองตรงเนี้ยว่าเขาจะถ่ายเลยให้เราเห็นให้เรารู้ ถ้าจิตสมาธิยังไม่พอยังไม่ถอดตรงนี้ออกให้ลูกให้เมื่อท่า น, นวิญญาณกายในกายเวทนาก็อยู่ต่อกันต่อจากกายนั่นเพราะมันผ่านกายถึจะผ่านเวทนาพอไปผ่านเวทนาก็จะผ่านจิตที่ว่าเห็นจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตนะผ่านกันเป็นขั้นตอนทีนี้ก็บอกว่าเห็นธรรมในธรรมนี่มีอยู่สี่อย่างเนี่ย กายเวทนาจิตธรรมต่อเนื่องกันอยู่เมื่อผ่านอันขั้นต้นนี้แล้วให้ท่านพินาสมาธิว่าท่านจะเดินไปทางไหนตรงขั้นตอนต่อจากตรงนี้นะคือท่านกำลังสำรวมอยู่ในทีว่าอภิชาแปล ว, ว, ว่าความยินดีโทมานั์แปว่าความยินไล่จิตวางตรงนี้วางความยินดียินไล่ในโลกตรงนี้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 ยกกายานุปัฏนานสติปัฏฐานขึ้นมาพี่นาองเล็กถ้าไม่เดินเข้าฌานนี่นี่เดินได้สองเส้นตรงนี้นะสองทางจะผ่านไม่ผ่านไม่เข้าใจตรงนี้ให้ท่านพยายามแล้วแต่ผู้ปฏิบัตินะฮะนี่คือขั้นตอนจริงๆที่จะต้องทำหลีกไม่ได้เลยถ้าเดินนาณาปันตรงนี้ถ้าผู้ใดทำได้ก็เป็นขุศรของท่านเอง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 มีอา น, นิสงส์มากมีอา น, นิสงส์ใหญ่เท่ากับว่าสำลิดผลในอนาปานสติสมาธิเนี่ยเท่ากับว่าได้แก้วสะลรพัดนึกถ้าจะพูดตามที่พระสูตรเก่าไว้นะฮะท่านบอกว่ามีอา น, นิสงส์มากมีอา น, นิสงส์ใหญ่เท่ากับบรรดันอะไรก็พอจะทำได้เพราะว่าเป็นบุญญาธิการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นสายบา ร, รมีที่พระองค์ทรงสร้างมา ในทศพลยันสิบเนี่ยถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเคยศึกษาดูท่านจะเข้าใจว่าพุทธองค์เนี่ยทรงสร้างบารมีสิบทัดสามสิบทัศในทศพลยันมาครบเนี่ยถึงสามารถรู้ดินฟ้าอากาศไวอย่างนั้นแต่รู้ธรรมชาติก็คือว่า ร, รู้ดินฟ้าอากาศนี่เองใช่ไหมถ้าเพิ่งศึกษาดูเราจะเข้าใจผู้ที่ท่านศึกษามาแล้วท่านก็คงจะเข้าใจดีว่า คำว่ารู้ดินฟ้าอากาศหมายว่าอากาศจะเป็นยังไงแดดจะออกฝนจะตกอะไรอย่างเนี้ยอาจจะเข้าใจได้ด้วยที่ียกวรรดรู้ธรรมชาตินะฮะนี่เองท่านบอกว่ามีอา น, นิสงส์ใหญ่อันนี้มีอา น, นิสงส์มากเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยสมัยเป็นโยคยีเป็นฤือีเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เจริญธรรมส่วนนี้มาเป็นอานิพนันตแม่สาวกบางท่านบางองค์ก็เหมือนกันเช่นพระอุรุเวลากาตะ เป็นโยคยีเป็นลือศีเป็นน้องชายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านุมทัสสีสมัยนูนะ้นอ่ะมาถึงพระพุทธเจ้าเหรอพุทธเจ้าก็เลยไปแสดงธรรมตรงนี้แหละเอาสาวกทั้งพันหนึ่งไปพวกเธอทั้งหลายรู้แล้วไปช่วยกันประกาศธรร ม, มาอย่างั้นนก็ <c oughs> จะไปเอาที่ไหนดีเพราะท่านทั้งสามท่านเนี่ยสามที่น้องเนี่ยมีคนเชื่อถือมากสมัยนั้นเขาถือว่าท่านอุลุเวลาคาถาสองสามที่น้องเนี่ย เป็นอลหัน <Yeah. S 1> เจ้าเป็นดินหลายรัฐแว่นแคลนจะต้องยกให้เพราะเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีชื่อเสียงเกียรติยศใครก็กลัว่นะเนยเขายกให้เป็นอรหรันแลแต่ว่านี้ใช่ตีความวบบเป็นอลหันเหมือนอริยะสาวกของพระพุทธเจ้านะตีความให้เข้าใจเขาเรียกอลหัน <c> ก <oughs> ็อลาหันก็หมายถึงเป็นผู้เก่งกล้านั่นเองส ม, นะ <c oughs> มัยนั้นมีฤทธิ์มีเดชมีกระชิน พร้อมที่จะทำอะไรได้ในหลายๆอย่างก็สิ้นน้ำก็สิ้นดินก็สิ้นลมก็สิ้นไฟท่านมีฤทธิ์มีเดชทั้งนั้นพุทธเจ้าเราก็ทำมาไม่ใช่ไม่ทาบําเพ็ญมาเป็นอันนี้กันนั้นอย่างนั้นในพุทธสพญยานสิทธิ์ถึงมีกำลังอย่างมาก <c oughs> นี่เคยถามไอ้น้องนิวดูเนะ่ยรู้เรื่องนี้หรือเปล่ารู้แล้วแต่ยังไม่ทา <c oughs> ทาไมไม่ทาเอาไว้หรืออืมรู้แล้ว ก็ยังไม่ทำนะเป็อย่างนั้น <c oughs> คือไม่ทําอันไหนไม่ทําอาสวัคยายานถามว่านนี้เข้าใจนี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจอันนั้นเอาไว้ก่อนยังไม่ทํา <c> เ <oughs> นี่ยบิ่งเล่นจนยมไม่เชื่อหรอกเห็นตัวเล่นไม่น่าเชื่อเลยเนะ <c oughs> นี่ยนะเนี่ยบิ่งเล่นอยู่เนี่ยบางที่อยู่ๆก็ไปบอกกรรมฐานเนี่ย้าเนี่ยผ้ามันยังไม่ผ่านนะ้าเนี่ยทำอย่างนี้ทําอย่างนี้ ไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็ไม่รู้มาแบบไหนเหมือนกัน <c oughs> ฉันเองก็สันนิษฐานไปอย่างนั้นอเองแต่ว่าที่จริงๆแล้วพระที่อยู่ปฏิบัติที่วัดน่ะเคยได้รับคำแนะนำจากเขามาแล้วเป็นที่ยอมรับเหมือนกันแต่ไม่ใช่บอกทั่วไปหรอกบอกคุณพังองค์นะ่านที่นี่เคยไปอยู่ด้วย ก็มีเองว่าถามไปถามมาจะถามอะไรนักหนาก็ทำเอาเองบ้างเป็นไ <c oughs> นี่มาอยู่ปารีสบ้านกับเขาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยหลานอาจารย์มหาณรงคนะ์เคยไปอยู่ด้วยนะเป็นเหมือนกับเพื่อนกันเนี่ยนะเล่นอยู่ด้วยกันสนิทสนมเคยไปอยู่นะ น, นี่มาด้วยเหมือนกันวันนี้ก็มาเวลาเล่นโยมจะมองไม่ออกเลยว่ายิ่งกว่าเด็กธรรมดาเนี่ย ไม่รู้ชนหรือไม่ชนเดีเวลาจะเป็นคนโตขึ้นมาก็เป็นเดี๋ยวนั้นแหละจะเป็นเป็นบางอย่าง น, นะนี่ไม่ใช่ว่าเอามาพูดโฆษนาให้ยมฟังนะหมายความว่าพระบางท่านโยมบางคนที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังด้วยตัวเองก็ดีจะยอมรับว่าเป็นไปได้ยังไงทําให้จะรู้ฝนจะตกแต่จะออกวันนั้น จะโตค่อยจะตกแรงอีกต่างหากวันนะ่ะหลายเรื่องมันะจะโยมบางท่านพระบางองค์อยากไปรู้เรื่องหวยเฉยๆไม่จะอยากรู้เรื่องอย่างนี้แท้ๆหรอกนะฉันสังเกลียดดูนะเพราะชอบหวยมันะอยากได้หวยก็จะไปทำเรื่องหวยนั่นนะบางทีก็บล็อกๆวันะนะ่ะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้โตแล้วแปดขวบจะเข้าเข้าขวบเดอนพิจิกาที่จะถึงเนี่ยอยู่โรงเรียน อยู่เป็ดว ก, กว่าแล้วใเสื้อเหลืองๆนุ่ยิงเล่นอยู่นั่นนะ่ะถ้ามานี่เมื่อไรจะขอมาด้วยทุกทีนอกจากว่าไปโรงเรียนนี่ท่องเอาไว้จะมาวันที่สิบหกสิบหกท่องเอาไว้เป็นอย่างนั้นจะมาให้ได้แหละจะมาที่นี่ไม่รู้ว่ามีเสน่ห์อะไรกัที่นี่นะนี่คือพูดเรื่องหลักการปฏิบัติขั้นเริ่มต้น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 แต่ไม่ใช่เข้าใจทั้งหมดหรอกไม่ใช่เข้าใจสูงสุดเข้าใจตรงเนี้ยตรงที่กําลังพูดอยู่เนี่ยลักษณะการจะเกิดอย่างนี้ที่ท่านพููที่ปฏิบัติพองยุบก็เหมือนกันต้องตั้งใจทําให้รู้จักพื้นฐานของสรรภาวะที่ปรากฏเช่นสมมื่อว่าท่านบอกว่าให้กําหนดที่หน้าท้องนะหายใจเข้าพองหายใจออกยุบอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> อันนั้นเป็นหลักการการกําหนด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 บางสำนักก็เอาพองบางสำนักก็เอายุบแล้วก็มีของสายหลวงพ่อเทียนก็มีอยู่เยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้เราหาหาสมาธิขั้นพื้นฐานพูดง่ายๆว่าสมมติพูดให้เข้าใจกันว่าอย่างนี้นะหาสมาธิขั้นพื้นฐานกำหนดที่หน้าท้องเนี่ยตอนแรกมันไม่เห็นอะไรดอกเราหายใจเข้ากำหนดว่าพองหายใจออกกำหนดว่ายุบนานเข้านั้นเข้ามันก็อาจจะมีสัญญาณปิ๊บ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 พอกำหนดหนดยุบได้มันจะยุบยุบยุบหายไปเลยบางองค์วาาทำไมมันเป็นอย่างนั้นเหมือนทาไมมันเวลาพองก็ได้แต่พองเวลายุบก็ได้ยุบบางที่กำหนดอยู่อย่างนั้นทีมหายวับไปคิดว่าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลก็มีบางท่านพูดไว้อย่างนั้นเคยไปพูดกับผมนะผมเลยบอกว่าท่านเปลี่ยนความคิดใหม่ซะกาหนดปรับให้ได้ทั้งพองทั้งยุบเท่าๆกันใช่ไมฮะ ตอนตอนแรกๆมันจะปรากฏอย่างนั้นแ่ะพราะนั่นๆเข้ามันก็จะเล็กลงเล็กลงสติเรามาสติเราพอกําหนดได้อ่ะมันก็จะเป็นอุบอุบวุบวหมืนก็เราหายใจเข้าวุบพอบุบเข้าวุบพอบุบมันก็สูบลมอย่างนั้นอุบ <mos> บ <mar ug> ับบับบับบับใช่ไหมฮะเอาตรงนั้นเป็นฐานสมาธิก่นอนกําหนดตรงนั้นเป็นฐานสติก่อน เอาสติฝากไว้กับตรงนั้นก่อนกำหนดไปกำหนดไปกำหนดไปเดี๋ยวนานๆนนข้าวไอสภาพชว่าที่มันวูบวูบวบเนะี่ยมันก็จะแปลสภาพเองให้ท่านใช้สติพิจารณาอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าบอกว่านานไปนานไปมันก็อาจจะแผ่ออกมาเย็นสบายคล้ายๆแผ่เป็นแสงรอบเนั้นนี่เรียกว่ากำหนดให้ถี่เข้าถี่เข้าทีนี้หรือว่า สานภาวะที่วุบนั่นเคลื่อนลงไปวุบจะเปเห็นเครื่องหมายกากบาดหรือเครื่องหมายบวกนะฮะเหมือนเครื่องหมายบวกน่อยู่ข้างในนั่นแหละสีก็นี่ลักษณะเหมือนกับจะดำไม่ดำทีนี้กำหนดไปกำหนดไปเด้ตัวนั้นมันก็จะเปลี่ยนสภาพอีกเหมือนกันตรงบนเครื่องหมายนะั่นก็เหมือนเราเอาไฟเนี่ยจุดอาชบน้ํามันเสียดผ้าชุนน้ำมันนะจุดจุดไป ท่นบอกให้กําหนดเป็นเกิดดับเอาได้แต่ ว, ว่าท่านจะกาหนดแบบไห น, นตรงเนี้กําหนดไปกําหนดไปก็เท่ากับภาวานานแล้วนะทาไปทำไปเดี๋ยวไอ้เครื่องหมายบวกนี้ก็จะถูกอมแล้วลบลบเครื่องหมายก็จะเป็นสภาวะเป็นแสงสว่างอยู่นะทําไปอย่างนี้นทําให้นานกนําหนดไปเรื่อยๆ เ, เอาเป็นฐานสติฐานสมาธินะฮะนานไปนั้นไปอีก เมื่อสติสมาธิตรงนี้พอมันก็จะเคลื่อนลงไปอีกหน่อยยุบเป็นกระจกใ ส, ส, สๆเล็กๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นฐานสมาธิจิตอีกขั้นตอนหนึ่งเนียตรงนี้ถ้าสมมติว่าท่านใดที่สามารถอกำหนดให้แข็งแรงพอสติสมาธิเป็นหนึ่งเดียวนั่นเข้าเบาๆเบาๆเบาเดี๋ยวมันจะพิกพ่าพิกแล้วอยู่ท่านไม่ต้องไปปกครองนะตรงนี้นะเอะ้นั่งดูได้สบายถอนขึ้นก็ไม่หาย เอากำหนดลงก็ไม่หายอันนี้ยคล้ายๆกับว่าแข็งแรงพอสมควรตอนแรกๆจะต้องรักษาต้องทดสอบทดสอบให้เข้าใจดึงขึ้นมาก็จะไม่เห็นตรงเนี้ยตรงเครื่องหมายเหมือนที่พูดถึงดึงขึ้นมาเอกก็จะเป็นภููภภภินะนี่ตรงเนี้ยทาให้ชํานาญนะครับถ้าไม่ชํานาญพิกไม่ได้กํ <c oughs> าลังเดติสมาธิไม่พอแต่สมมติว่า เราอยากจะรู้ว่าเราหายใจช้าหายใจเร็วเนี่ยเอาตรงนี้มาตั้งที่ใต้เล้านมเนี่ยเราจะรู้รู้มันกับเครื่องวัดลมหายใจเข้าออกนะลองทําดูผมเคยฝึกมาผมเคยทามาผมเห็นเป็นอย่างนั้น <c oughs> เห็นยังไงก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นนะพวกท่านทั้งหลายที่ฝึกพองยุบมาไม่ท่านไม่ทราบว่าท่านฝึกแบบไห น, นถ้ามาถามมาวันเป็นญาณอะไรหลวงพ่ออาจารย์ท่านจะมาถามผมเลยผมบอกท่านไม่ได้ พรผมไม่ได้เรียกยานผมเรียกสภาวะที่ผ่านทางผ่านเนี้ยถ้าอยากเข้าใจยานไปถามตำนักที่เข้าสอบยานนะครับ <c oughs> ที่ผมพูดมาฟังนะเป็นยานอะไรไปถามเขานะครับที่นี้อย่างพระที่ไปฝึกมาจากพมากก่าก็เคยมาเล่าให้ผมฟังลายพมา่านี่ท่านบอกว่าไปติดกาลาปะกาลาปะนะครับมันจะม่ ก, กันเป็นฟ่อนฟอนนี่สภาวะที่อยู่ข้างในตํา ตามข้อขาข้อแขนข้ออะไรแล้วแต่จะเห็นคล้ายๆเป็นขาเขาเนี่ยผมผมดูไปมันเป็นเขาเขามัดกันมัดไปมัดมาเตียบขาดกันอยู่ตรงนั้นนอาจารย์วินเซน์ที่มาจํำภาษาอยู่กับผมไปอยู่กับพม่ามาห้าปีประเทศพม่าติดอยู่ตรงนี้อะารเงั้นท่านมาอยู่กับผมเมื่อสี่หกปีสี่หกนะครับมาเล่าให้ผมฟังท่านมามาจําภาษาอยู่กับผมภาษาหนึ่งท่านเป็นพระที่ เกิด e จากฝลังเศสมาบวชเป็นพระไทยอย vorne, ู่ที grasp, ่วัดหลวงพชาเนี่ยน้องป่าพงเนี่ยรุ่นเดียวกับเจ้าวัดองค์ปัจจุบันนี่แหละสามสกว่าพรรษาแล้วนะครับอันนี้ท่านทำมาจากพงยุคอ่าที่สายพม่าเนี่ยจติดขายอยู่ตรงนี้เป็นเป็นสวนมากว่าอย่างงั้นท่านมาเล่าให้ผมฟังท่ท่านก็มาศึกษาหลักการปฏิบัติทางบ้านเราเนี่ย ท่นบอกว่าผมมีโอกาสนะปฏิบัติน้อยไปอ่า ง, งั้นเพราะท่านมีความขยันเรื่องการศึกษาเรื่องการเรื่องปริยัติท่านพูดภาษาไทยก็ได้ภาษาบาลีท่านก็แปลออกหมด <c oughs> นะท่านไปอยู่ศรีลังกาเก้าปีนะเนี่ยอเนี่ยกลับมาจากโน่นเข้ามาจําภาษากับผมท่านก็ออกไปอยู่เกาะ บ, บาลีนะจําจำภาษาที่ประเทศออสเตรเลียท่านบอกอย่างเนี้ยทนี้ ท่านอยากศึกษาเรื่องอนาปานสติท่านมาถามหลักการที่ผมเนี่ยแหละมาปีสี่หท่านได้ส่วนนี้ท่านก็ออกไปเพราะท่านทำวีซา่าทัวร์ว่างั้นท่องเที่ยวคือมาอยู่นั่นไม่ได้เดือนหนึ่งก็ต้องไปโตที่เดือนหนึ่งก็ไปโตที่ก็ลำบากไม่ได้ทำทาวอนไปเรียนธรรมบัญษาอยู่ที่บาลีเอ้ยอวอสเตเลียอ่ะอันนี้ท่านบอกว่าท่าน ต อ, อนการปฏิบัติสมัยอยู่กับหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาท่านเรียกอาจารย์ได้ยินว่าหลวงพ่อชาเนี่ยพูดให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นเคยบอกว่ า, าให้ทํำสมาธิในลักษณะของไอ้น้องนิวเนี่ยที่เคยพูดให้ฟังไปทีแล้วก็คงยื น, นํามาเล่าให้ฟังใช้สติอยู่กับลมหลางั้นนี่บอก บอกอาจารย์วินเซนต์ว่าใช้สติอยู่กับลมมัน <c oughs> มาตรงกับหลักของหลวงปู่ชาไอ้ล้มไอ้ผู่มั่นบอกหลวงปู่ชาท่านก็เลยศรัทธาเรื่องเนี้อาจารย์วินเซนเนี่ยศรัทธาน้องนิอถามน้องนิวว่าถ้าเอาอะไรทำสมาธิ น, นี่ยบอกผมว่าใช้สติอยู่กับลมนะคือคือบอกลักษณะว่าเพื่อถามอย่างนี้ ถามว่าน้องนิวฝนจะตกไม่ตกทําไมถึงรู้ใช้เตตีอยู่กับลมอย่างนั้นคนจะไปคนจะมาทําไมถึงรู้ใช้เตตีอยู่กับลมอแล้วทำไมให้ฝนตกใส่รุ่งชูศักดิ์ทำยังไงใช่เตตอยู่กับลมอะไรก็อยู่เตตีอยู่กับลมทั้งนั้นคือหลักอนนาปานนี่เองคือสรุดออกมาขึ้นหลักอนนาปาน อ, อาจารย์วินเซนท่านตีความว่าอยู่ตรงนี้เอง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 ให้ตั้งเป็นตัวผุศลตั้งเป็นตัวบุญคือฝันไหวทําแบบเราสร้างบุญสร้างผุศลให้มันเกิดโดยที่เราทําไปตามหลักการถ้าอยากได้เกินไปไม่ได้เขียนเอาไวท้ที่ข้างฝาธาลาทําหลังเก่าที่วัดป่านี่ยมันพันว่าโลภมากหลาบหายอยากได้หลายสิตายซ้ำ <c oughs> ฉันเขียนเอาไว้ <c oughs> มีคนไปถามดูทําไม่เขียนอย่างนั้นเมันมันโกชิตายแล้วอยากได้หลายโวด ไม่กินข้าวไม่กินน้ํานักเขาก็ล่มก็ใส่เอาเลยน้ อ, ย, นอ <c oughs> ยยมเนาะใช่ไหมยมเอาอยากได้หลายจนไม่กินข้าวไม่กินน้ําก็จะตายตอนน่าคนเขาเน <c oughs> ่ยังไงนี่นี่พูดเรื่องหลักการปฏิบัตินอมาสองอย่างเนี้ยยมจะเอาหลักไหนก็ได้แต่ภาวนาว่าสัมมาหังสัมมาหลังอ่ากูบาจันเก่าท่านมีอย่างหลวงปู่สมเด็จอ่าไก่เถือนนั่นน่ะ ท่านขึ้นกรรมาฐานภาวนาตอนเรกใช้สัมมาอรหังนะมีมาก่อนวัดปากน้ำสมัยเก่าโน้นเวียงจันนุน่นรบรีก็เหมือนกันอายุทยาเหมือนกันต้นรัตนะคือหลวงสเด็ จ, ส ม, ดจสมเด็จพระสังฆราชไก่เถือนก็ใช่อันเดียวกันคือทาให้มีอุบายให้จิตสงบพอจิตสงบพอสมควรแล้วเราจะปรับเปลี่ยนยังไงก็ได้นี่คือทำสาหรับ ผู้ที่ค้นหายากขุดยากก็ต้องหาอุบายให้สมองก่อนเราจะลัดไปที่นาวิปัญนาเลยอาจจะยากนะสําหรับผู้ที่ทํายากให้หาอุบายทําสมาธิก่อนผู้ง่ายๆ ไ, ไปอย่างนั้นเด้อเมื่อมันได้กําลังได้ฐานได้ศรัทธาตรงขั้นเริ่มต้นแล้วเราจะดาเนินต่อไปในตอนข้างหน้านั้นยังไงก็ได้นะนี่คุยกับโยมมานานพอสมควรนละ้ะเนี่ยนะนะ เ <mm <way> มยหรือยังครับทำเมยแล้วผมก็จะพักตอนนี้แหละนอะยังอยากฟังอันไหนอยู่ที่ไ่ผมก็ไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังหรอกก็นี้มาคุยกันคุยกันนะืเนท่านอย่าเพิ่งเชื่อผมนะเอาไปทดสอบดู ก, ก่อนเอาไปลองดูก่อนถ้ามันเป็นอย่างที่ผมว่าท่านจะเชื่อก็เรื่องของท่านไม่เชื่อกับเรื่องของท่านา น, <mm way> <mm way> นะครับ 550. อันนี้สงฆ์เมตตานี่มีอันนี้สงฆ์มากครับ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 ถ้าไม่เกิดอะไรเกิดจามเกิดอะไรเป็นไข้วัดไข้อะไรไข่ขไขนกไม่ใช่ไข่นกเลนาะไ <g ül> ข้หวัดสมัยนั้นอ้าวทีนี้อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับกลับมากลับทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกให้เอาการณียมีตันสูตไปเจริญไม่ใช่ไปขับผีหรอกนะครับนี่ไม่ใช่นะจะไปเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยจะจิคิดว่าเรามีอาวุธดีแล้วไปใช้กับเขาท่านให้ไปเจริญไม่ตานะครับ การมีเมตตาเป็นอาวุธเนี่ยอา น, นิสงส์เมตตาทุกท่านที่สวดมาที่เจ่มากคงคงจะเข้าเจดีมีอา น, นิสงส์มากมายแค่ไหนแพียงไรผมเชื่อแน่ว่ามีแน่นอนสมัยผมทาทุกงค์วัดอยู่สัตว์ไลยเข้ามาหาก็เป็นมิตรเสียงที่ไม่เป็นมงคลก็เป็นมงคลนะครับอันนี้เชื่อว่ามีแน่นอนแต่ว่าอย่าไปทำใหญ่อย่าไปทำกลางต้องมีนะโมอยู่ในใจมีเมตตาอยู่ในจิตนะครับ เชนี้นะนี่คาถาดีคาถาอนคาถาเลยเนี่ยบูชานอบน้อมพระรันตนใจนอบน้อมพระคาวาแล้วเราก็เพเมตตาพอเพเมตตาแล้วเราจะทําฝึกสมาธิในแบบไหนอิริยาบทไหนก็ทําไปมีอะไรสะดุดให้ตั้งจิตเพเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาใกล้เราที่จะเป็นศัตรูเลยกลายเป็น เสืเข้ามาก็ไม่ทํอะไรหรอกผมเชื่อได้ถ้าท่านมีเมตตาจริงๆให้ปีกจิตเป็นองค์เมตตานะครับอย่าไปทดสอบนะแล้เรายังไม่ใช่มีจิตเป็นองค์เมตตาจริงๆไม่ใช่หมูโจงอ้างก็ไม่กัดท่านหมูป่าก็ไม่ทําอะไรนะครับหมีก็ไม่ทํานอนหลับอยู่ก็ไม่มีอะไรเขาจะมี เหมือนกับท่านว่าเออเหมือนมีเทวดารักษาก็คือบุญท่านนั่นแหละกุศลท่านนั่นแหละรักษาท่านเองนะครับแต่ขอลองว่าถ้าท่านไปตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะปรากฏอยู่ตรงนี้แหละตลอดสามราทีก็ดีหนึ่งนาทีก็ดีมีอะไรเกิดขึ้นถ้าท่านไม่แข็งพอต้องระวังจิตนะครับอย่าได้ ถ้ามอบกายถวายชีวิตเข้าไปแล้วอยาได้ถอนกฎหนีไปนั่นขาดท่านจะเสียสัจจะอธิษฐานมันก็บที่ผมพูดชีวิตท่านก็จะเป็นพระโลเลลมเหลวต่อไปทำอะไรไม่บรรลุเป้าหมายทำแล้วทำอีกตั้งแล้วตั้งอีกแตกแล้วแตกอีกขาดแล้วขาดอีกขาดสัจจะอธิษฐานนะครับถ้าตอ น, ต, นต้นทำดีก็จะดีไปเรื่อยๆเพราะอะไรท่านเห็นคุณของสัจจะอธิษฐานและเมตตาที่ท่านแผ่ไว้นะฮะ มันกับที่ผมพูดว่าเอออ้าวอันนี้มาทดสอบแล้วก็ผ่านได้นุ่นทดสอบแล้วก็ผ่านได้อยู่บ้านก็จะมีอย่างอื่นทดสอบนะถ้าท่านไปนตั้งศัจจะขึ้นอย่างนั้นเอาไปอยู่ในกติหลังนี้เออเราจะฝึกสมาธิตรงนี้ตั้งสัจจะฐานบปัญญาตรนต่อพระรั ต, รตนใาจาเสร็จเรียบร้อยแล้วลท่านจะนั่งภาวนาเดินภาวนาอะไรก็ช่างนอนภาวนายืนภาวนาเดี๋ยวมีอะไรมาทดสอบอาจจะเป็นเพื่อนกันพวกกันหรือโยมก็ได้ มาทำอะไรอ้าวหยุดมาทำอะไรไปเมื่อก่อนไม่มาทำสมาธิไม่มาปฏิบัติธรรมทำไมไม่ไม่เห็นมาทำเรื่องนี้ไม่เห็นมาทำอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะได้ไปมีมวยปากกับเขาหรือจะมวยจริงก็ไม่ยังไม่ทราบอีกนะเนี่ยระวังไว้นะโยมนะเนี่ยมันจะเสียอที่ฐานเนี่ยตรงนี้เองง่ายงายนิดเดียวอยู่ป่าก็เป็นได้อยู่บ้านก็เป็นได้แต่อะไรจะโทษท่านยังไม่รู้เนี่ยดีไม่ดีหรือว่าแม่ป่วยหนักเขามาตาม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 ยอดยอมก็จะเมือ่อท่านทั้งหลายที่ อ, อดลับอดนอนมาหรืออยากพักผ่อนบ้างก็จะได้พักผ่อนอย่างท่านอาจารย์ท่าพระครูสุตาวลากรท่านก็รับพระลทุละมาตลอดหลายราตรีแล้วอาจจะไม่จะได้จะได้พักผนะ่อนบ้างนะฮะอยงนั้นวันนี้ก็คิดว่าได้มาคุยกันพอหอมปากอขอมคอเป็นเพื่อนเป็นกลุ่เป็นญาติเป็นติดธรรมของกันและกันก็คิดว่าจะยุติเอาไว้ได้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ ขอรัตนาเอาคุณพระศี ร, รัตนาใจแล้วก็พ้นขุศลนพ้นบุญที่ประเด็ดประคุณพระครูสุตธวัากรท่านอาจารย์มหาพิธักษ์กบคณะพระอาจารย์กรรมทุกรูปที่ได้ตั้งศรัทธาอาวัยพระที่มาอยู่ปฏิวัติกรรมตลอดทังญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมก็ขอขุศลนพ้นบุญส่วนนี้จงตามประคับประคองให้ท่านทั้งหลาย จงบรรลุเป้าหมายที่ท่านตั้งเอาไว้ดีแล้วอขออุปสงค์ส่วนนี้้จงอุปบัติธรรมจงช่วยท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงานะจะเนึ่องจะคิดจะปราถนาสิ่งใดซึ่งไม่เคนกว่าวิสัยของบุญกุศลที่จะตอบสนองความปรารถนาของท่านแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นนั้นจงทันกับตอบสนองความปรารถนาให้ท่านทั้งหลายจงทัานประสบความสําเร็จความสําเร็จ สมความมุ่งมา่นตา้งนาจะในทางที่ดีที่ถูกที่ชอบที่ควรชงทุกท่านทุกคนพืน